วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้า สรงสอนให้ศรัทธายาโยมผู้เป็นผู้เป็นคารวะผู้คองเรือนได้มาฝึกฝนปฏิบัติธรรมในรูปแบบของนักบวชหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพราะการปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานเพื่อหลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแบบนักบวชเพราะการปฏิบัติแบบนักบวชนี้เหมือนกับการขึ้นทางด่วนขับรถขึ้นทางด่วนจะสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วไม่มีอะไรติดขัดเหมือนกับ เวลาขับรถอยู่ที่ภายใต้ทางด่วนซึ่งมักจะมีจราจรคับข้างมีแยกสีแยกไฟแดงทำให้การจราจรการเดินทางเคลื่อนไหวในใต้ทางด่วนนี้จะช้ามากอาจจะไม่ทันการ อาจจะไม่ทันเวลาที่เราต้องไปสถานที่ใดที่หนึ่งตามเวลานัดหมายไว้แต่ถ้าได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็จะได้ไปอย่างรวดเร็วเพราะบนทางด่วนนี้จะไม่มีไฟแดงไม่มีเสียแยกไฟแดงไฟเขียวผ่านตลอดการปฏิบัติแบบนักบวชก็เหมือนกับขับรถบนทางด่วน พอนักบวชนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการหากินหาอยู่ของนักบวชก็แบบง่ายให้อยู่แบบขอทานยินดีตามมีตามเกิดถึงเวลาก็ไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็รับไปแล้วก็เอาไปรับประทานกัน ไม่ไม่วุ่นวายไม่ต้องมีอะไรมากใช้เวลาวันละหนึ่งสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วเกี่ยวกับเรื่องเรื่องกินเรื่องอยู่ที่วสัยสมัยพุทธกาลก็ไม่มีวัดไม่มีกุฏิส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามโคนไม้ถ้าจำเป็นก็อาจจะทำเพิงทำด้วยกิ่งไม้ใบไม้ พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วไม่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เสียเวลาไปกับการหาอยู่หากินมากจนเกินไปยังสอนให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษอาหารก็บบญทบาทเลี้ยงชีพอยู่ตามโคนไม้ใช้ผ้าบางสกุลบางสกุลก็คือผ้าที่เขาใช้หอ่อศพ ที่ทิ้งไว้ในป่าชา้าเวลาต้องการที่จะมีผ้าจีวรไว้สวมใส่ก็ไปเก็บผ้าบางสกุลไปชักผ้าชักออกจากศพศพก็อาจจะแห้งกรอบเหลือแต่โครงกระดูกไปก็นำผ้านี้ไปซักไปย้อมไปตัดไปเย็บเป็นจีวรขึ้นมาได้ ส่วนยารักษาโรค ก, ก็รักษาด้วยยาดองน้ำมูดยาดองน้ำมูดเน่าเอาน้ำมูดเนาคือน้ำมูดที่ไปดองกับผลไม้เวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มยาดองน้ำมูดได้นี่คือ การอยู่การกินของนักบวชของผู้ที่ปรารานาการดุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานในภพนี้ชาตินี้จะได้สามารถทำตามที่พระเจ้าท่งสอนและบรรลุผลได้ตามที่พระเจ้าได้ทรง รับประกันไว้ว่าถ้าไม่เจ็ดเดือนไม่ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะชีวิตของเราทุกคนก็ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครรับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าเรา ปฏิบัติแบบปามาดนอนใจคิดว่าจะอยู่ไปถึงอายุแปดสิบเก้าสิบปีบางคนมันอายุไม่ถึงสามสิบก็เสียชีวิตไปก็มีเพราะร่างกายนี้มันมีภัยคุกคามหลายด้านด้วยกันภายทางธรรมชาติภายทางเชื้อโรคภายทางวิชาชีพอุบัติภัยอะไรต่างๆ ที่อาจจะสามารถทำให้ชีวิตสิ้นสุดลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงไม่ควรจะประมาทให้เราคิดอยู่เรื่อยว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้ใช้ให้ใช้ความ สติแล้วเรารู้ถึงความตายนี้ที่เรียกว่ามรณานุสติเป็นเครื่องกระตุ้นไม่ให้เป็นเครื่องกระตุ้นไม่ให้เอประมาทนอนใจมรณานุสตินี่เป็นธรรมที่จะปลุกให้เราตื่นจากความประมาทนอนใจ เราคิดว่าความตายนี้ไม่มีใครรับประกันได้แม้แต่บริษัทประกันชีวิตเขาก็ไม่สามารถรับประกันชีวิตของเราได้คือไม่สามารถรับประกันว่าจะให้ชีวิตของเราอยู่ถึง90ปีร้อยปีได้เขาเพียงรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตเท่านั้นเองคือ เวลาตายไปก็มีเงินก้อนหนึ่งไว้ให้กับผู้ที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยที่ต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลที่เสียชีวิตไปจะได้มีอะไรมาทดแทนดูแลเขาต่อไปอนี่คือสิ่งที่นักบวชจะปฏิบัติกัน ในเกี่ยวกับเรื่องของการหากินหาอยู่ในเรื่องปัจจัยสี่ให้หากินหาอยู่แบบง่ายแบบสะดวกแบบไม่ต้องใช้เวลามากโดยใช้หลักความมากน้อยสันโดดมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเช่นอาหารก็กินแค่วันละมื้อก็พอไม่จำเป็นที่ต้องกินวันละสามื้อสี่มื้อ อาหารมักน้อยด้วยอาหารมักนอนด้วยเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มก็ให้มีผ้าหนึ่งสามรับก็พอผ้าไตาหนึ่งสามรับคือมีผ้าสามผืนท่านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่งไม่ mm. ว่าผ้าไตาจีวรพอแล้วแค่นี้มีมากไปกว่า น, นี้ก็ไม่มีความจำเป็น พอเวลาห่มผ้าก็ห่มได้ทีละผืนนั่นเลยมีสิทธผืนก็ห่มไม่ได้มีสิทธผืนก็ห่มได้ทีละผืนอย่าจะได้ไม่เป็นภาระต่อการจัดหาแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อการเก็บรักษาไปไหนมาไหนก็สามารถเอาผ้าตายติดตัวไปได้เลยเพราะสมัยพุทธกาลพระส่วนใหญ่จะเป็นผ้า ป, ปฏิบัติ พระป่าพระธุดงปฏิบัติธุดงขวัดแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานต้องไปปรีกวิเวกหาสถานที่สงบสงดัดที่สัปปายะต่อการบำเพ็ญจิตตะภาวนาท่านไม่ได้มักไม่ได้อยู่กับวัดอยู่กับที่เหมือนพระในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ท่านจะย้ายที่ไปเรื่อยๆ ไปหาที่สงบเงียบที่เอื้อต่อการปฏิบัติเพื่อต่อการบรรลุมรรคผลนิตรานจิตใจท่านไม่ได้ไปติดข้องอยู่กับทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองกับลาภยศสรัเสริญสุขของทางร่างกายจิตใจของท่านนี้มุ่งไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นจาก วองทุกเป็นอย่างเดียวไม่ต้องการอะไรต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นเพราะว่าความทุกข์นี้เป็นตัวปัญหาต่อให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้ายังมีทุกข์อยู่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าไม่มีความทุกข์อยู่แล้ว ถึงแม้ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรเลยใจนั้นจะมีความสุขมีความปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆท่านเห็นความสําคัญของการกําจัดความทุกข์ยิ่งกว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมียศมีตําแหน่งมีเกียรติมีสัรเสวนมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ท่านสละกามฉันทะความยินดีในการเสพรูปเสียงกิริลดพทธภพนักบวชทุกคนนี้ถือศีลได้ขมมากกันคือศีลแปดขึ้นไปศีลสิบ น, นักบวชนี้ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ศีลสิบคือเป็นสมัมนมนีบวชเป็นสมัมมณี แล้วก็บวชเป็นพระต่อเพิ่มจากสินสิบเป็นสินสองรอยีบเจ็ดข้อเป็นข้อห้ามต่างๆที่ไม่ให้พระไปยุ่งเกี่ยวไปผัวพันกับเรื่องเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่เวลาที่เขามีพิธีบวชพระนี่เขาจะเขียนว่าบรรพชาอุปสมบทเป็นการบวชสองสองขั้นตอนด้วยกัน บรรพชาแปลว่าการบวชสา ม, มเณรถือศีลสิบก่อนก่อนจะบวชพระได้ต้องเป็นเนนก่อน mm hmm. แต่เขาจะทําวิธีควบคู่กันไปเลยเริ่มต้นก็เข้าไปขอศีลจากพระอาจารย์ที่ทำการบวชให้ท่านก็จะให้ศีลสิบเป็นสา ม, มเณรแล้วพอเป็นสา ม, มเณรเสร็จก็ให้ ขอบวชเป็นพระอุปสมบทต่อบรรชาอุปสมบทอุปสมบทนี่คือการบวชเป็นพระการจะบวชเป็นพระได้ต้องเป็ น, นเนนก่อนถึงจะบวชเป็นพระได้<ม>เขาทาพิธีพร้อมกันในวั น, ว, นวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ญาติโยมที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดก็จะไม่รู้ว่าเขาทาอะไรกันเห็นพระนั่งสวดนั่งอะไรกัน นั่นแหละเป็นพิธีการบวชเนแล้วก็บวชพระสองขั้นตอนด้วยกันแล้วพอบวชพระเสร็จสิ่งแรกที่จะสั่งสอนก็คือวิธีการอยู่การกินของนักบวชว่าคนรจะอยู่กินอย่างไรและคนรจะประพฤติปฏิบัติอะไรหรือไม่อย่างไรอยู่กินก็แบบนี้แหละที่พูดให้ฟังกินด้วยกาะ เป็นเบญทาบาทเลี้ยงชีพกินแบบทุดดงขวัดคือกินมือเดียวกินในบาทะจะได้ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายต่อการที่จะต้องจัดภาชนะช้อนชามอะไรต่างๆมาเกี่ยวให้กับเรื่องของการกินจะได้ไม่เสียเวลามากมีภาชนะใบเดียวใส่อาหารทุกอย่างเข้าไปในบา่าย แล้วก่อนจะฉันก็ให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารที่น่ า, นาดูน่ากินที่อยู่ในจานในชามนี่พ อ, อมันเข้าไปในร่างกายแนละ้วมันเป็นของไม่น่าดูน่าชมเลยพ อ, อเข้าไปในปากนะลองเคียเค้ยวอาหารที่ อ, ร, อร่อยๆดูอยา่าเพิ่งไปกลืนมันลองคายคายมันออกมาจากปากก่อน พอดูหน้าตาอาหารที่อร่อยอร่อยว่ามันหน้าตามันเป็นอย่างไรมันจะได้กาจัดความหิวความอยากกินอาหารพอเห็นนะภาพที่ไม่น่าดูน่ากินของอาหารแล้วการกินอาหารนี่มันไม่ได้จะไม่ได้กินด้วยความอยากกินมันจะกินแบบลักษณะกินยากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน กินเพื <inside> ่อเลี you know, so you know, ้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งเหมือนกับกินยากินตามที่หมอสั่งหมอให้กินเวลาไหนก็กินเวลานั้นหมอให้กินยาชนิดไหนก็กินยาจะเป็นรูปลักษณะอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาเลเอาเข้าปากแล้วก็ตื่นเข้าไปการกินอาหารก็เช่นเดียวกันต้องพิจารณาว่าเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน ไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุขจากการกินอาหารเพราะถ้ากินเพื่อความสุขมันก็จะเป็นกิเลสมันก็จะทำให้ติดมันก็อยากจะกินไปทั้งวันความจริงร่างกายมันต้องการอาหารเพียงวัวละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองกินให้เต็มที่ไปเลยไม่ห้ามจะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่กินมันเพียงครั้งเดียวเหมือนกับเวลาเติมน้ามันรถเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเติม สามเวลาเวลานี้เติมเข้าไปหนึ่งส่วนเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงจะกลับมาเติมอีกหนึ่งส่วนเดี๋ยวตอนเย็นยะกลับมาเติมอีกหนึ่งส่วนอเอาบันทีเดียวให้เต็มถังไปเลยเ <c oughs> ติมทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาต้องคอยขับรถกลับมาจอดที่ปั๊มอยู่เรื่อยๆ <c oughs> พอรถเราต้องการเดินทางไกล <c oughs> เดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่ง <c oughs> โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดโลกที่ไม่มีความทุกข์โลกที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นโลกที่มีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยบรล ม, มุสุขปาลมังสุขขังดังนการเติมน้ามันการเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงควรจะทำแบบแบบเรียบง่ายและรวดเร็ว อย่าให้มันเป็นภาระมากจนเกินไปอย่าให้มันทำให้ต้องเสียเวลาเพราะต้องการเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติและการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเวลาทำจิตใจให้สงบเวลานั่งสมาธิถ้ากินอาหารอีกแล้วมันจะนั่งไม่ได้มันจะง่วงนอนมันจะหลับนั่งแล้วสับประงกเลยต้องถือศีลกันอย่างน้อยก็ถือศีลแปด ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้าเข้มข้นกว่านั้นก็ถือทุดงขาวัดกินมื้อเดียวตอนเช้าพอกลับจากบินธบาตพอฉันอาหารเสร็จปับ๊บเรื่องกินอาหารก็หมดไปสำหรับวันนั้นจะกินอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ออกไปบินธบาตอาหารที่ได้มามากน้อยก็เมื่อกินเสร็จแล้วที่เหลืออยู่ก็ให้สละไปให้หมด จะได้ไม่มีภาระที่จะต้องมาคอยเก็บรักษาอาหารที่เหลืออีกพรุทธเจ้าสั้นฉลาดถ้ารู้ว่ากิเลสของคนนี้มันยึดมันติดมันรักมันชอบมันห่วงมันมีอะไรแล้วมันมักจะอยากจะมีเยอะๆอยากจะเก็บไว้มากๆเผื่อวันพรุ่งนี้ัวจะตายัวจะอดตายรักษาสมกันไปเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติก็เลยมีไม่มาก ในต้องมีกฎระเบียบเรื่องของการอยู่กินของพระอาหารการกินกให้บิณฑบาตผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ให้ไปเก็บผ้าในป่าชา้า <c oughs> ผ้าบางสกุลที่เราเรียกว่าผ้าป่าในสมัยนี้ก็คือผ้าบางสกุลผ้าห่อศพนี่เพราสมัยก่อนเขาไม่นิยม เวลาคนตายเขาไม่นิยมที่จะฝังหรือที่จะเผาเพราะมันยุ่งยากเอาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าง่ายที่สุดทิ้งไปสักพักหนึ่งร่างกายมันก็จะมันก็จะแห้งกรอบกลายเป็นบินไปแล้วผ้าที่ห่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปนักบวชที่ต้องการ หาผ้าก็ไปเก็บ <ình> ผ้าในป่าชาไม่ต้องไปรบกวนสัตธาญายาทโยมไม่ต้องไปขอขอผ้าจากญาติโยมการอยู่สมัยก่อนนั้นอยู่แบบขอทานจริงๆใช้ของถูกๆใช้ของที่ไม่ต้องเสียเงินที่วาศัยก็อยู่ตามโคนไม้ตามร่มไม้ถ้าต้องทําเพลิงก็ใช้กิ่งไม้ใบไม้ทําไป พอกันแดดกันฝนได้เดี <c oughs> ๋ยทำไมช่นนั้นก็อยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผา <c oughs> หรือตามเรือนร้าง <c oughs> ซึ่งอาจจะมีเรือนร้างใครทิ้งที่อยู่อาศัยให้มันร้างอยู่ในปา่าก็สามารถไปอยู่ไปใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราว <c oughs> ยารักษาโรค ก, ก็ไม่ต้องซื้อ <c oughs> <c oughs> ใช้ สิ่งที่มีนี้มาทำเป็นยาคือน้าปัสสาวะนีสามารถอามาดองกับผลไม้บางชนิดเช่นมามาขามาายาดองสมอมะกรอกอะไรพวกนี้เป็นต้นสามารถมาดองแล้วดื่มน้ำจากการดองน้ำปัสสาวะนี้ได้พอรักษาโรคได้การการรักษาโรค ก, ก็ให้พระท่านก็ให้ ให้คหนึงว่าร่างกายนี้มันยังไงยังไงก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไม่ได้แล้วโรคที่จะเป็นก็มีเพียงสามโรคเท่านั้นเองโรคที่เป็นแล้วหายเนี่ยโรคชนิดที่หนึ่งโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงยาหาย <S <S ชนิดที่สอง <S <S <ๆ>ชนิดที่สามโรคที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย ก็ปล่อยให้มันไปเป็นไปอยู่ของมันไปจนกว่าจะตายจากกันไปหนี้ไม่พ้นโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็หนีไม่พ้นความตายที่จะตามมาต่อไปจากการที่ไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้สอนให้ยอมรับความจริงจะได้ไม่ไปทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับการรักษาดูแลร่างกายมากจนเกินไป รักษาได้ตามกำลังก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นขอทานหรือเป็นมหาเศรษฐีมันก็หนีโรคทั้งสามชนิดนี้ไปไม่ได้แล้วยามีเงินซื้อยารักษาโรคขนาดไหนก็ตา่างพอเจอโรคชนิดที่สามนี่ เงินทองมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคชนิดที่สามนี้ได้ น, <c oughs> นี่คือการใช้ยารักษาโรคพวกเราที่สมัยนี้โชคดีมีสามสิบบาทรักษาทุกโรคก็กยังดีดีกว่าที่จะต้องไปจ่ายเงินตามโรงพยาบาลเอกชนเป็นหมืน่นเป็นแสน ่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่จะต้องใช้ความอดทนรอรอคิวเพราะของฟรีมันก็มันก็คนก็อยากจะใช้บริการกันเยอะ mm hmm. ก็ต้องไปเข้าคิวเข้าแถวกันรอ ก, กันไป <c oughs> แต่ถ้ายอมรับความจริงว่าน่างกายจะต้องเป็นโรคสามชนิดนี้ก็ลองดูเวลามันเป็นก็ลองสังเกตดูว่า แล้วปล่อยให้มันไม่ไม่รักษามันดูมันจะหายไหมดูสักสามสี่วันดูบางทีมันก็หายของมันเองได้ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าสามสี่วันยังไม่หายก็จะต้องไปหายาหาหมอแล้วก็ถ้าถูกยาได้ยาที่ถูกกับโรคก็หายได้ถ้าไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาแล้วรักษาแล้วกกินแล้วก็ไม่หาย ลองยาอแบบอื่นก็ไม่หายก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโรคแคนิดที่สามโรคที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปเท่านั้นเองถ้าทำใจได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย น, านี่คือหลังจากที่บวชบวชเป็นพระเสร็จแล้วพระอุปชาก็จะสอน วิธีการอยู่ของพระยังว่านิสัยอนิสัยของพระการกินอยู่ของพระนิสัยที่ควรจะทํามีอยู่สี่วินบาลเลี้ยงชีพใช้ผ้าบางสกุลอยู่ตามคนไม้แล้วก็ดื่มยาดองน้ํามูลเน่านี่คือสิ่งที่ควรจะกระทําในการเลี้ยงดูร่างกาย แล้วก็มีอีกสี่ข้อที่เป็นข้อห้ามพอเป็นพระแล้วทำไม่ได้กิจ ม, มีข้อสี่ข้อถ้าทำทำข้อใดข้อหนึ่งแล้วถือว่าจะขาดจากการเป็นพระทันทีจึงจะเป็นต้องสอนทันทีหลังจากที่บวชเสร็จว่าห้ามทากิจสี่ชนิดด้วยกันหนึ่งคือห้ามเสพเมถุนคือห้ามร่วมเพศกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศคนละเพศ หรือแม้แต่เป็นเดรัฉานก็ร่วมเพศกันไม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้าร่วมเพศแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีจะมีจะมีผู้อื่นรูเห็นหรือไม่ก็ตาม <Yeah. S 1> แต่ผู้กระทานี้ย่อมรู้แก่ใจของตนว่าตนเองนี้ขาดจากความเป็นพระแล้วอยู่เป็นพระปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้ไปถึงมรรคผลนิพพา น, เ, นเหมือนต้นตาลที่มันยอดมัน อยอดมันขาดไปแล้วยอดมันตายไม่มีทางที่จะเจริญได้ถึงแม้มันาอาจจะไม่ล้มลงมาทันทีทันใดแต่มันก็เป็นเหมือนต้นไม้ตายที่รอเวลาที่มันจะล้มลงมาต่อไปอปรราชิกเมืองปราชิกสี่การกระทาที่ข้อห้ามสี่ข้อที่ถ้าถ้านักบวชถ้า ร, รูปใด ได้กระทาแล้วจะถือว่าขาดจากการเป็นพระอันทีข้อที่หนึ่งก็คือปะข้อที่หนึ่งก็คือการเสดเมทุนการร่วมเพศกันข้อที่สองก็คือการลักทรัพย์ลักทรัพย์ที่มีค่าหนึ่งมาศุกซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าหนึ่งมาศกก็คือขนาดทองคาเมล็ดเท่ากับเมล็ดข้าว มีข้าวเข้ากับทองคำที่มีขนาดเมล็ดข้าวใครเอาทรัพย์ของใครขโมยทรัพย์ของใครไปเนี่ยก็จะถือว่าขาดจากการเป็นพระสันทีตอนที่สามก็คือการฆ่าฆ่ามนุษย์ถ้าถ้าฆ่ายุงฆ่ามูดอะไรนี้ยังไม่ถือว่าเป็นปาลาชิกแต่การฆ่ามนุษย์ถ้าคนที่เป็นมนุษย์ให้ถึงแก่ความตายอันนี้ก็จะ ถือว่าเป็นจิตที่ร้ายแรงไม่ควรจะกระทาเป็นพระไม่ควรที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแะข้อที่สี่ก็คือไม่ให้โอวดอุตตริมนุสยะธรรมคือทําที่ไม่มีธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนว่ามีเช่นว่าได้ฌานได้มรรคได้ผลได้นิพพานเป็นต้นถ้าไม่มีแล้วไปพูดไปบอก ไปสอนคนอื่นว่าตนเองได้บรรุแล้วอันนี้ก็จะเป็นประาชิกเ ป, เป็นการกระทาที่ผิดอย่างร้ายแรงที่จะทําให้ขาดจากการเป็นพระไปทันที <c oughs> อันนี้คือกิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้อและกิจที่พึงกระทำสี่ข้อในการ <c oughs> ที่พระใหม่ทุกรุปมพอบวชเสร็จปั๊บนี่ พระอุปชาอาจารย์จะต้องสั่งสอนต้องบอกทันทีให้รู้ไว้นี่เป็นวิธีการของการขึ้นทางด่วนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกัน้นพระพุทธเจ้าก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมที่ยังมีภารกิจการงานการนะ ทำมาหากินอยู่นี่ให้มีเวลาลองมาปฏิบัติแบบนักบวชดูสักวันหนึ่งอย่งเช่นวันหยุดทำงานสมัยก่อนวันพระนี้จะตรงกับวันหยุดทำงานสมัมนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าวันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานก็ต้องปรับวันให้ตรงกันคือถ้าวันนี้เป็นวันพระไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเราก็ไปเอาวันที่เราหยุดทางานมาเป็นวันพระแทน เช่นวันนี้เป็นวันศุกร์ต้องไปทํางานแต่พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ต้องไปทํางานเราก็เปลี่ยนวันพระของเราจากวันศุกร์วันนี้ไปเป็นพรุ่งนี้แทนเอาวันที่เราหยุดทํางานนี้มาฝึกหัดอยู่แบบนักบวชหนึ่งวันเพราะนักบวชก็จะไม่ทํางานทางโลกทํางานทางธรรมเพียงอย่างเดียวงานทางธรรมก็คือการศึกษาการปฏิบัติ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็ศึกษาก่อน mm hmm. เช่นวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมก่อนมาเรียนรู้วิธีของการปฏิบัติว่าปฏิบัติแบบไหนถึงจะทำให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วที่สุด mm hmm. ก็ต้องปฏิบัติแบบขึ้นทางด่วนปฏิบัติแบบนักบวชต้องไม่มีภารกิจการงานต่าง มีแต่เวลาให้กับการศึกษาพระธรรมคำสอนจะฟังเทศฟังธรรมแบบนี้ก็ได้หรือจะอ่านหนังสือธรรมะก็ได้หรือจะฟังธรรมที่ได้มีการแสดงไว้แล้วแต่ในการบันทึกเก็บเอาไว้ก็ได้ธรรมของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุบสุปฏิปันโนนี้มีอยู่เยอะเป็นธรรมแท้ร้อยเอร์เซ็นต เพราะพระท่าของท่านเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ศึกษาจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้หนังสือของท่านก็มีบันทึกเสียก็มีลูอจ่าศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ไปอ่าหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกต่างๆหนังสือต่างๆที่คัดมาจากพระไตรปิฎกก็ถือว่าได้เรียนจากพระพุทธเจ้าก็สูตรต่างๆ เช่นธรรมจักรกับประวัตนัสูตรมงคลนัสสูตรสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นพระสูตรเหล่านี้เป็นเทศนาเป็นคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดบรรทุกเก็บเอาไว้รักษากันเอาไว้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นพระสูตรที่สามารถสอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นนักบวชถึงจะมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการปฏิบัตินี้มันต้องปฏิบัติแบบต่อเนื่องถึงจะได้ผลดีไม่นั้นจะเป็นเพียงแค่หนึ่งวันก็หนึ่งคืนก็ดีตามก็สามารถที่จะแสดงผลให้ให้เกิดขึ้นได้ตามกาลังของการปฏิบัติ ตามขั้นของการปฏิบัติ mm hmm. ขั้นแรกก็คือขั้นศี ล, ลน้อยก็รักษาศีลแปดได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืน mm hmm. ไม่หาความสุขจากการเสดรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพัะชนิดต่างๆ mm hmm. ศีลแปดนี้เรียวกว่าเป็นศีลสองชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือไม่ทําบาปสี่ข้อก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปด ไม่ดื่มของอนเมาอันนี้เป็นการห้ามกระทาบาปส่วนข้อที่สามที่เป็นกาเมของศีลหา้าก็จะมาเปลี่ยนเป็นอบ ร, รมจรยคือไม่ร่วมเพศกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมเพศกัน<ม>เพราะว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วเวลาที่ไม่ได้เสพมันก็จะทำให้เกิดความเหงาเกิดความเศร้าเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาได้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเลิกเสพได้ก็ต่อไปก็จะไม่รู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวเวลาไม่มีแฟนไม่มีใครร่วมหลับนอนด้วยก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขอย่างอื่นมาแทนที่ก็คือความสุขที่เราจะได้จากการปฏิบัติ จิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบการจะทําจิตใจให้สงบต้องมีเวลาไม่ให้ต้องไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นมามามามาขั้นมาขวางถ้าจะเสร จ, จะร่วมเสรก ร, รมกับผู้อื่นแล้วยังอยากจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิด้วยมันเป็นไปไม่ได้ ม, มันสวนทางกันทางกา ร, รมทางกา ร, รมารมทางรูปเสียงกลิ่นรสปทพระ กับทางแห่งความสงบนี้มันเป็นคนละทางกันเหมือนกับทางที่ขึ้นทิศเหนือกับทางที่วิ่งลงใต้สวนทางกันถ้าจะขึ้นเหนือก็อย่าไปลงใต้ถ้าลงใต้แล้วเนี่ยหวังจะขึ้นเหนือด้วยมันเป็นไปไม่ได้มันกเหมือนกับกลับกับรถขับไปกลับมาเดี๋ยวขับเดี๋ยวก็ยูเทิร์นลงไปทางใต้เดี๋ยวเดี๋ยวยูเทิร์นกลับมาขึ้นมาทางเหนือ มันก็วกเวียนกันไปอย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนถ้าเป็นค า, าววาเนี่ยมันมักจะทำสองอย่างห า, หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเสพกามแล้วก็พอมีเวลาหน่อยก่อนนอนก็นั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิอันนี้ก็เหมือนยูเทิร์นจากการเสพกามก็กลับมามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมา ถ้าทำแบบนี้มันก็ติดอยู่อย่างนี้มันไม่ไปถึงไหนจึงต้องเอาเอาเวลามาเอาวันพิเศษมาวันพระนี้เป็นวันพิเศษวันที่สัตยาโยมผู้ของเรือนจะมาฝึกเป็นพระเป็นนักบวชหนึ่งวันด้วยกันมาปฏิบัติเนคขมะเนคขมะก็คือการละเว้นจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆเช่นม่ ไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็ไม่กินอาหารตามความอยากไม่กินอาหารมากเกินไปให้กินเพื่ออยู่ไม่ได้ให้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่อเสพสุขจากรูปลดเสียงรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารให้กินมื้อเดียวมื้อสองมื้อเป็นอย่างมากไม่เกินเที่ยงวันไปแล้ว<ม>เพื่อจะได้ไม่มาเป็นนิวรนเป็นอุปสรรค เพราะการกินอาหารมากนี้จะทำให้เกิดความง่วงเหงาหาานอน<ม>เกิดความเกลียดครานแท<ม>นที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็นอนดีกว่า<ม>นอนมันสุขมันสบาย<ม>ไปทุกข์กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิทาไ ม, มใช่ความสุขของกามันเป็นความสุขแบบสุขต้นแต่มันจะทุกข์ปลายเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวร ไม่แน่นอนเวลาได้เศษมันก็มีความสุขแต่เวลาที่ขาดมันเมื่อไหร่เวลานั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ตามมาทันทีช่วยเอาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติดีกว่าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันเป็นแบบทุกข์เบื้องต้นแต่สุขบ้านปลายตอนที่ยัมาปฏิบัตินี้มันทุกข์มันยากมันลาบากไจะได้ไหนจะต้องไปอยู่ที่งเงียบๆอยู่คนเดียว ไหนจะต้องละเว้นจากการเศษการมต่างๆไหนจะต้องคอยขยนันคอยควบคุมจิตไม่ให้คิดปรุงแต่งให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าสำเร็จเมื่อไหร่ถ้าจิตสงบลงเมื่อไหร่ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันจะหายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทุกครั้งเวลาที่จิตสงบนี้ จ, <ะ>จิตจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีแต่กว่าจะเข้าถึงความสงบนี้ได้ก็ลิ้นห้อยต้องต้องทุกข์ยากลาบากต้องฝืนใจต้องมามาอยู่วัดกัน เลือไปอยู่ที่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ไม่ให้เสพสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้เสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตรพิสดารด้วยเครื่องสำางด้วยสัญญกรรมอะไรต่างๆ ด้วยน้ำมันน้ำหอมเป็นต้นไม่ให้ไปหาความสุขแบบนี้แล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปให้หลับนอนแบบเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายถ้าได้เวลาง่วงนอนมากๆากนี่ให้นอนที่ไหนมันก็นอนได้จะนอนบนฟูกหรืนะหรือบนนอนบนพื้นแข็งแข็งมันก็หลับได้ถ้ามันง่วงนอนเต็มที่แล้วมันไม่สนใจ แต่ถ้าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆที่มันสุกมันสบายหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจมันจะไม่อยากจะลุกมันอยากจะนอนต่อแทนที่แทนที่จะลุกขึ้นมามาปฏิบัติมาภาวนามาเจริญสตินั่งสมาธิก็นอนต่อ ด, ดีกว่าเพราะบนฟูกหนาๆมันสบายมันสุก<ม>ก็จะทำให้ไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติ อันนี้คือสิ่งเรียกว่าเนคขมมะการปฏิบัติการละการหาความสุขทางกามทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาเราเรียกว่าเนคขมมะอย่างศัทธายาโยมที่มาอยู่วัดถือศีลแปด น, นี่เราไม่ได้บวชชีพราหมณ์ศาสนาพุทธนี้ไม่เกี่ยวกับพราหมณ์เนี่ยเรามาบวชเนคขมมะกันเรามาละเว้นการเสพกามด้วยการถือศีลแปดกันไม่เกี่ยวกับพราหม์แต่อย่างใด ศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์นี้เป็นคนลศาสนากันเป้าหมายนี้ไม่เหมือนกันเป้าหมายของศาสนาพุทธนี้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อวิมุติหลุดพ้นจากกองทุกขษาศาสนาพราหมณ์นี้เพื่อไปสู่พรมโลกเป็นพรมกันไปคนละไปทางเดียวกันแต่ไปใกลใกล้ไกลกว่ากันทาง ศา ส, สนาพราหมณ์นี้เข้าไปแค่พรหมโลกด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานระดับต่างๆพอเข้าถึงฌานแล้วเขาถือว่าเขาถึงถึงที่สุดของของความสุขแล้ว mm hmm. แต่ก็ไม่รู้ว่าความสุขของสมาธิของฌานมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรที่มันจะเสื่อมได้ mm hmm. เช่นได้ฌานขั้นต่างๆแล้วเวลาตายไป mm hmm. ใจก็ไปอยู่ในพรหมโลกดวงวิญ ญ, ญาณก็ไปอยู่ในพรหมโลก แต่ไม่ได้อยู่อย่างถาวรเพราะว่าสมาธิที่ส่งใจให้ไปอยู่ฌานที่ส่งไปให้อยู่มันมันเสื่อมได้มันจะลานได้มันเสื่อมได้พอ ม, มันเสื่อมมันเหมือนกลังลงก็เหมือนรถที่น้ำมันหมดเนี่ยรถน้ำมันหมดก็วิ่งต่อไปไม่ได้ถ้าอยากจะวิ่งต่อก็ต้องเข้าปัม๊มหาปั๊มเข้าก่อนอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิหรือฌานนี่มันก็เสื่อม พอไปอยู่ในพรหมโลกได้สักระยะหนึ่งพอสมาธิหรือฌานที่ส่งไปมันหมดกำลังก็ต้องกลับมาเติมน้ํามันใหม่เกิด ม, มาเติมสมาธิใหม่ด้วยการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบความสงบชอบปรีกวิเวกงชอบปฏิบัติชอบเข้าวัดชอบบวชตรงนี้เวลากลับมาก็จะมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบต่อไป ด้วยการอยู่แบบนักบวชแล้วพอตายไปก็กลับขึ้นไปสู่พรหมโลกใหม่ก็ยังต้องยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดทุกครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่อาจจะทุกข์น้อยกับพวกที่เสกการมเพราะพวกที่เขาเสกความสงบได้เวลาร่างกายเขาทุกข์เขาก็สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ชั่วคราว เอาสมาธิไปอาการเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกาย<ๆ>ก็ไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ในขณะใจที่อยู่ในสมาธิอยู่ในฌาน<ๆ>เขาก็จะเวียนว่าตายเกิดแบบแบบที่ดี<ๆ>เรียกสุคติ<ๆ>มีความสุขถึงแม้จะมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่เวลาเขาเจ็บไข้ได้ปวด่วยเวลาเขามีความทุกข์กับเรื่องใดนี้ เขามีที่หลบเขามีที่พึ่งได้คือเขาสามารถเข้าสมาธิได้แต่เขายังไม่มีปัญญาที่จะสอนให้จิตหลุดพ้นอ ย, อย่างยั่งยืนอย่างถาวรอันนี้เป็นอีกระดับหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาตอนต้นพระพุทธเจ้าก็อยู่กับพวกพรามนี่แหละฝึกสมาธิเข้าฌานต่างๆได้แต่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นความสุขแบบชั่วคราว ไปแล้วออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากความสงบก็ค่อยจางหายไปแล้วพอใจไปคิดไปอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นไปคิดไปอยากกับเรื่องของร่างกายอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเนี่ยพอร่างกายมันต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะทุกข์ขึ้นมาได้อันนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะทำไงให้ใจไม่ต้องมาทุกข์กับนะความแก่ความเจ็บความตาย กับการพัดภาคจากกัน ม, มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่มีปัญญาอันชละแหลมคมที่สามารถมองทะลุเข้าไปถึงสาเห็นถึงสาเหตุของความทุกข์ใจได้ว่าเกิดจากความอยากของใจเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆ อ, อยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพกามเสพมลเสียงกลิ่นรสความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่พาให้ใจทุก แล้วทําให้ใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าละความอยากทั้งสามนี้ได้ละ ก, กามตัาหาภาวตันหาะวะิภาะวะตันหาได้<ม>ใจก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวีนว่ายตายเกิดได้<ม>นี่คือความต่างระหว่างพรามกับศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธต่อยอดสูงขึ้นไปอี ก, อกขั้นคือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาศาสนาพราหมณ์เขาไปได้ถึงแค่ขั้นสมาธิเขาสอนให้รักษาศีลได้สอนให้เข้าสมาธิเข้าฌานได้แต่เขาไม่รู้ไม่สอนไม่รู้วิธีที่จะทําให้ความทุกข์หมดสิ้นไปจากใจเขาไม่รู้ว่าเหตุที่ทําให้ใจทุกข์นั้นเกิดจากอะไรคิดว่า วิธีกำจัดความทุกข์ก็คือการเข้าสมาธิไปแต่มันเป็นการกำจัดแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่กำจัดอย่างถาวรแต่วิธีของพุทธนี่เมื่อได้เมื่อได้ถึงได้สมาธิได้ชานแล้วก็ให้ต่อขั้นให้ไปสู่ขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาให้พิจารณาให้เห็นตายลักทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปอยากไปชอบ ลันเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวของที่เปลี่ยนแปลงไปขอ ง, ของที่สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆพอมันเปลี่ยนจากสุขมันกลายเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอ น, นิจจังนาไปสู่ความทุกข์ใจทุกขังเพราะอยากให้มัน นิจจังไม่อยากให้มันเป็นอย่างนิจจังอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงถึงใดที่ให้ความสุขกับเราวันนี้ก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนไม่มีใครมาสั่งมาบอกมันได้มันมีเหตุมีปัจจัย พอมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏขึ้นมาพอเหตุปัจจัยที่ทําให้มันปรากฏขึ้นมาหมดไปเมื่อไหร่การปรากฏของมันก็จะหายไปทันทีอันนี้คือต้องเห็นตายลักเห็นอนิจจังของต่างๆที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นลาบยศรเสริญแล้วความสุขจากรูปอเสียงกิ่นรลพดกระเพาะก็ดี เมื่อความสุขจากสมาธิจากรูปปัจจานหรือจากอารูปปัจจานก็ดีความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นตายรักษณทั้งนั้นไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนยาเสพติด <Evet. S 1> เวลาได้เสพมันก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เวลาที่ไม่ได้เสพมันก็จะทําให้ทุกข์ใจขึ้นมาได้ดัง <Evet. S 1> นั้นต้องอย่าเสพเลยต้องเลิกเสพเลิกอยากในสิ่งเหล่านี้ เลิกอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเลิกอยากกับรูปประชานเลิกอยากกับอารูปประชานพอทําได้ปั๊บนี่จิตมันก็จะหลุดออกจากชั้นพรหมโลกชั้นกามะภพชั้นรู ป, ประภพอารู ป, ประภพเ อ, อกจากตายภพไปเลยเ<ม>ข้าไปสู่นิพพานทันทีนิบานังปรมังสุขงังจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภต่างๆความอยากต่างๆ พราะได้ใช้ปัญญาอันวิเศษที่พุทธเจ้าได้สองคนพบเกิดตายลักเห็นว่าตายพบนี้มันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตากามากามาพบก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตารูปะพบอรูปะพบก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าไปเสพกายก็ไปติดอยู่ในการมาพบถ้าไปเสพรูปประชานก็จะติดอยู่ในรูปอรูปะพบถ้าไปเสพอรูปประชานก็จะไปติดอยู่ในอรูปะพบ ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ความอยากเสพการความอยากเสพรูประชาญความอยากจะเสพรูปรช ان, านให้มันหมดสิ้นไปจากใจเมื่อมันหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็ทีนี้ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่ม <politically S 2> ีความอยากที่จะไปเกิดในการมาพบไม่มีความอยากที่จะไปเกิดในรูปฌพ ไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอนในอรูปภพต่อไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนต่างจากจากศาสนาพราหมณ์เนี่ยเวลาที่เรามาบวชถือศีลแปดนี้เราไม่ได้บวชชีพราหมณ์กันเราบวชเนกขมมะเรามาเป็นผู้ที่เตรียมที่จะไ ป, ไปเป็นนักบวชต่อไปคนที่จะมาบวชพระ ถ้าไปบวชกับวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดแข้งๆนี้เขาจะไม่ให้บวชทันที mm hmm. เขาจะให้อยู่เป็นผ้าขาวไปก่อนให้ถือศีลแปดไปก่อนท mm hmm. างไว้ก็ให้ถือศีลแปดไปอย่างน้อยสองปีหรือหนึ่งป mm ี hmm. เป็นศีลแปดรักษาศีลแปดปฏิบัติแบบคารวะ แ, แบบยังไม่ได้บวชนุ่งขาวห่มขาวไปก่อน mm hmm. ถ้าอยู่ได้หนึ่งปีก็อาจจะให้บวชเป็นเนนได้แล้วต้องเป็นเนนอย่างน้อยอีกสองปีก่อน ให้ถึงศีลสิบจากศีลแปด ก, ก็ไปถึงศีลสิบแล้วก็รักษาศีลสิบได้อยู่เป็นเนนได้สองปีถึงจะให้บวชเป็นพระเพราะว่า mm hmm. ถ้าเป็นคนที่จริงจังต่อการบวชแล้วก็รอได้ของดีต้องใจต้องเย็นต้องรอ mm hmm. ไม่ใช่อยากจะได้ปุ๊บ ก, ก็ได้ปับ๊บ mm hmm. เ อ, อมามันได้ปั๊บเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนใจบางที พออยากจะบวชก็ได้บวชทันทีพอบวชได้ไม่กี่วันก็อยากจะสึกขึ้นมาอีกแล้ว <m> บวชอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่กี่วัน <m> ก็สึกเพราะว่าใจมันหลอกเราเวลาไม่ได้อะไรมันก็อยากได้ขึ้นมาเวลาไม่เห็นเขาเป็นพระก็อยากจะเป็นพระเหมือนเขาพอได้เป็นพระแล้วก็ไปเห็นคนนึ่งเขาเป็นโยมก็อยากจะกลับไปเป็นโยมอีกมันก็จะถูกหลอกให้ชักเข้าชักออก บางคนเขาบอกชายสามโบทเนี่ยก็แบบนี้แหละทำตามความอยากอยากบวชก็บวชพอบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างเค้ง่งทัด mm hmm. ก็เปิดช่องให้กิเลสความอยากจะเสบกางมันเข้ามาในใจพอเกิดความอยากจะเสกกลาเข้ามามันก็เลยอยากจะศึกเพราะเป็นพระมันมันเสกไม่ได้เสกไม่ถุนไม่ได้ร่วมเพศเขาไม่ได้ ต้องไปลาศิษฐ์ขาเพื่อที่จะกลับไปเป็นคารวาะพ็กลับไปเป็นคาราวะาอยู่ได้สักพักหนึ่งก็เบื่ออีแล้ว อ, อยากจะมาเป็นนักบวชอีกแล้วก็กลับมาบวชใหม่อเอาว่าถ้าบวชแบบนี้ศึกแบบนี้สามสามบวชเนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้เป็นคนใจโลเลคนที่ไม่มีความมั่นมั่นมั่งคงมั่นคงอยู่กับอุดมการณ์ของตนะ เป็นการอยากจะเป็นนักบวชก็ไม่มั่นคงพอได้เป็นนักบวชอยู่ได้สักระยะหนึ่งก็หมดศรัทธาในอุดมการของตนเปลี่ยนไปไปศึกแล้วพอไปเป็นคาลว่าสักพักก็เกิดมีอุดมการขึ้นมาใหม่อยากจะกลับไปบวชอีกนะคนแบบนี้เขาว่าเป็นคนโลเลเชื่อถือไม่ได้เขาเรียกชายสามบทช ถ้าบวชแล้วมันต้องไม่สึกโดยถ้าถ้ายกเว้นพวกที่บวชแล้วบางทีมีเหตุจำเป็นจะต้องสึกไปชั่วคราวแต่พอไม่มีเหตุที่จะให้อยู่แล้วก็กลับมาบวชต่อแต่เขาบวชแบบตลอดชีวิตไปเลย อ, อย่างหลวงปู่มัน่นนี่ตอนที่ท่านเป็นเด็กพ่อแม่ก็ให้ไปบวชเนงพอโตขึ้นมาพอจะมีกำลังวังชาที่จะมาช่วยทำนาทาไร ได้ก็ให้ศึกออกมาให้มาช่วยพ่อแม่ทำทำไร้ายนาไปแต่ใจท่านยังมีความรักของการเป็นนักบวชอยู่พอท่านมีอายุครบบวชท่านก็ขอบวชไปเลยบวชแล้วท่านก็ไม่ศึกบวชแล้วท่านก็มีความความจริงจังต่อการบวชต่อการทาหน้าที่ของนักบวชรือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็บรรลุถึงมรรคผลนิพพานหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่ยืนยันว่าท่านได้หลุดพ้นแล้วท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็คืออัติของท่านอัติของท่านหลังจากที่ได้มีการชาปนกิจร่างกายแล้วกระดูกบางส่วนของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาอันนี้เป็นการยืนยันว่าบุคคลนี้เป็นเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย<ม><ม>คำสอนของท่านถึงแม้ตัวท่านจะไม่อยู่แล้วก็เป็นคาสอนที่เป็นของแท้ร้อยเอร์เซ็นต เ ป, เ, ปเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีของปลอมแปกปลอมแทรกเข้าไปอยู่ในคําสอนของท่านเลยสามารถสบายใจมั่นใจถ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของหลวงปู่มันน่นนตอนลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นที่ไปบวชกับไปบไปบวชแล้วไปปฏิบัติไปศึกษากับหลวงปู่มั่นนี้กลายเป็นพาาาระอรหันขึ้นมาเป็นจํานวนมากถ้าปฏิบัติจ่ายห้หลวงปู่มั่นเนี่ย ตั้งแต่หลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ขาวลงมาเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ทั้งนั้นหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามาหาบัวบุคคลเหล่านี้ก็อาศัยธรรมะอันประเสริฐอันอันแท้จริงของหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทางเป็นผู้สอนผู้บอกเป็นผู้นําทาง mm hmm. แล้วท่านก็สามารถที่จะบรรลุตามที่หลวงปู่มั่นได้บรรลุได้ mm hmm. mm hmm. นี่คือเป้าหมายของการมาเป็นของชาวพุทธเราก็คือเราต้องการวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวีนว่ายตายเกิดอย่าไปหลงอยู่กับราบยศสรรเสริญสุขเลยต่อให้มันวิเศษขนาดไหนต่อให้มันพิสดารขนาดไหนขับรถคันละร้อยล้านใช้นาฬิการเรือนละสิบล้านนี่มันก็เป็นของที่ไม่มีคุณค่าต่อจิตใจ ไม่สามารถนำมาดับความทุกข์ใจได้เลยเวลาที่เกิดความทุกข์ใจ<ม>ไปดูที่พวกที่ติดคุกติดตารางเลยพวกที่มีรถราคาสามสิบล้านใจนาฬิกาเรือนละสิบล้านนี่ของเหล่านี้มันไปทำให้ความทุกข์หายไปไหม ม, มันไม่หายหรอกอาพวกนี้มันดับความทุกข์ไม่ได้แล้วไปมีมันไว้ทำไมให้เสียเวลากเปล่าว<ม>ของที่ดับความทุกข์ได้ไม่ไม่กลับไม่มาหากัน วันพระเนี่ยเป็นวันที่เรามาหาของที่จะดับความทุกข์ให้กับใจเราดับความทุกข์กับใจด้วยการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้พอที่จะมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาได้ก็ทําไปหรือจะมาสงเคราะห์ผู้ที่ยากร้ผู้ที่เดือดร้อนมีคนเขาถามว่าจะทำไงกับคนไข้ได้ป่วยที่อยู่ในห้องไอซีจะช่วยเขาได้อย่างไร ก็บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสิเขาจะได้มีเงินซื้อเครื่องม้เครื่องมือมาดูแลคนไข้เพิ่มขึ้นคนไข้ตอนนี้คิวยาวเหยียดเลยนั่งรอเป็นเดือนก็มีกว่าจะได้คิวเพราะหมอมีน้อยยามีน้อยเงินมีน้อยรัฐบาลไม่สนับสนุนไม่มีเงินให้ก็เลยต้องทุกข์ยากลาบากเกี่ยวกับเรื่องรักษาพยาบาล คนมีเงินเขาก็สบายเขาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนเราไม่ต้องเสียเวลารอแล้วก็อยู่แบบอยู่แบบรู้เลยอยู่แบบโรงแรมห้าดาวเลยโรงพยาบาลนี่ถ้าจะไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลเลยถ้าไม่เห็นหมอไม่เห็นพยาบาลนี่คิดว่าเป็นโรงแรมห้าดาวแต่มันก็ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้เวลาเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาถึงแม้จะไปรักษาโรงพยาบาลห้าดาวใจมันก็ทุกข์ใจมันก็กังวลว่า จะหายหรือไม่หายจะตายหรือไม่ตายอยู่ดีดังนั้นอย่าไปหลงกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมันมาช่วยดับความทุกข์ใจเราไม่ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสิ่งที่จะช่วยดับความทุกข์ใจให้กับเราได้ก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยการให้ทําบุญให้ทานไปก่อนเพราะเป็นของที่ง่ายที่ใกล้ตัวเราที่เราสามารถทําได้กัน ถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งไปให้กับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วมันจะทําให้ใจเรามีความสุขแล้วเวลาที่เราทุกข์ยากเดือดร้อนบุญที่เราได้ทําไว้มันก็จะมาช่วยทําให้ใจเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหรแ่แล้วก็แล้วก็มาปฏิบัติวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปพังพางก่อนพอถึงวันพระวันหยุดก็มารักษาศีลแปดมาอยู่ที่สงบสงัดวิเวก ไปเปีกวิเวกเพราะการปฏิบัติเนีมม่ยขมะการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อทําจิตใจให้สงบนี้จําเป็นที่ต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วไม่คลุกคลีกับใครถ้าต้องไปคลุกคลีกันไปสังคมกันจิตมันก็จะฟุ้งขึ้นมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันให้หยุดคิดให้อยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้ทําใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็จะได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไป mm. นี่แหละคือที่มาของวันพระที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดขึ้นมาไว้ mm. เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมคารวะผู้คลองเรือนี้ให้มีวันเป็นนักบวชสักวันหนึ่งให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบ mm. เ, พเพราะถ้าสามารถปฏิบัติตามเต็มรูปแบบได้สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับนี่ โอกาสที่จะทำจิตให้สงบให้เป็นอย่างนี้มีมีมากกว่าการที่อยู่เป็นแบบวันปกติธรรมดาแบบแบบวันที่ต้องทำงานแบาบงที่ทางานนี้นั่งสมาธิเพียงห้านาทีบางทียังนั่งไม่ได้เลยเพราะจิตมันฟุง้งมันฟุ้งกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องปีกวิเวกต้องปิดตัวออกมาจากเรื่องราวต่างๆให้ได้เพื่อที่จะได้มาควบคุมความคิดทำจิตใจให้สงบ พอจิตสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วมันจะติดใจต่อไปมันก็ จ, จะเพิ่มการการวันหยุดให้วันวันปฏิบัติให้มากขึ้นจากหนึ่งวันก็เพิ่มเป็นสองวันสองวันก็เพิ่มเป็น3ามสี่วันก็ได้งานการที่เคยทำมากก็ตัดมันให้น้อยลงเพราะว่าเมื่อก่อนต้องใช้เงินมากไปเพื่อไปตอบสนองตัญหาความอยากต่าง พอมาปฏิบัติธรรมแล้วตัณหาความอยากต่างๆมันโหดหายไปเยอะรายจ่ายที่ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายก็ไม่มีมก็ไม่มีไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีรายได้มากจนเกินไปก็ลดการทํางานลงได้มีวันหยุดเพิ่มมากขึ้นมีเวลาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปแล้วต่อไปก็จะสามารถออกบวชได้อย่างแน่นอนเพราอบวชได้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆภายในเจ็ดวันเจดเดือนหรือเจ็ดปี มันก็จะต้องได้ผลอย่างแน่ น, นอ น, นนี่คือเรื่องของธรรมะของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาวาริวะหาปุราปิริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุจินังเปตานาังอุปกับ ป, ก ป, ปติ อิติตังปทติตังตุมหังคิปว่เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวตวันตะรายุสุขีทีคายยโกผวะอาพิวาธนสีลิสนิจังวุธาปจายนโนจตารธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการตอบคำถามเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่น้อมกลาวนมัสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทางเฟซบุ๊ก3ามอท่าน y youtube พระอาจารย์สุชาติ323ย่าท่าน y o u t u ด็อกตอรวีห้าท่าน วิ Online, ทยุออนไลน์13ท่านคลับเฮาส์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ907 uh, 90เอ่อขอประท่าน scene, ทานุกค่ะ90ท่านรวมทั้งสิ้น789ท่านเ้าค่ะมีชาวต่างชาติอยากจะถามคำถามนะ Would you like to ask a question? Yes, please. please come and get the microphone. Speak close to the microphone. Yes. Ajahn, my name is Yus. I'm from San Francisco. And I come because a d a n i s a b o told me to to stay here. And I have a question. My dog is very sick. She she's got cancer. And uh, my wife maybe loves the dog a lot. So the vet says she needs to be put down soon. But my precept says no because I don't want to kill anything. So my my wife says, when it's time to go, then then we both need to agree. I I don't know what to do. It's not time yet to go. If if the dog is still alive, it means it's not yet time for it to go. Let it go naturally. Don't do anything to it. Because if you kill somebody, even you think you love that somebody, you're actually cruel. You're being cruel to that somebody. Killing is not kindness. i is cruelty, and this cruelty can lead you to hell. So leave things alone. Let things die naturally. Don't do anything. Even with your own body, it's the same way. Your delusion will fool you to think that by getting rid of your body will help getting rid of the suffering, but it doesn't, because the doesn't the suffering doesn't come from the sickness of the body. It comes from the attachment to the body that causes the, the suffering. So it's an attachment that we have to kill, get rid of, not the body. So we, that's why we practice here to get rid of our attachment, our cravings to to things. We should just leave them alone. Then we w i l l have no suffering when when something happens to it. So if you want to to kill your suffering, you have to let go of your attachment to to something, to that thing. Let go of your attachment to the dog. Let the dog live it, its natural life. Let it go naturally. And the dog also will have to learn to to let go of its attachment to its body also. If you want to get rid of the suffering, so never kill regardless of any reason. According to Buddhism, this is wrong. Killing is wrong. Mercy killing is wrong. There's no such thing as mercy killing. When you kill, you you don't have any mercy. <laughs> is that all? Can I ask one more? The My my wife she is uh, not she's not a Buddhist and I and I took up practice maybe five six years ago and I and I chant every day I meditate every day also and she she thinks I love the practice more than her so there is a bit of a disagreement about my my way of practice and the time I spend and. Um, I'm trying to do my best to keep both happy. You cannot, you cannot have your cake and eat it too. You have to choose one or the other. The Buddha had a wife and a and a kid, but he chose to practice more than his wife. So it's up to you what you want. You cannot have them both because they are, they both go in a different direction. Then You cannot have them both together. You cannot take her with you here and practice with you. So you want to practice? You have to leave her there and you come here. Okay. Anything else? That's it. Okay. If you want to ask, <coughs> just c o m and ask. t h e h e v e a microphone. If you don't have one, you can w r i y questions on a piece of paper and bring it. โยมเกิดความคิดผุดขึ้นมาแบบลอยๆอยเมื่อเรารู้สึกถึงความคิดว่าไม่ดีได้แต่บอกกับตัวเองว่านั้นไม่ใช่เราแต่บางครั้งก็ไม่สงบเจ้าค่ะเพราะความรับรู้ทำให้รู้สึกเกรงกลัวต่อบาปกับสิ่งที่มันผุดขึ้นมานั้น ถ้าไม่ได้คิดไปเองรู้สึกเหมือนว่ามันโกรธเราอยู่ที่เราไปจุดจดจ่ออยู่กับพุโทโธ<ม>เพื่อจะมีสติขณะทำกิจวัตรประจาวันแต่ก็ปล่อยไม่ได้ต้องพุโทโธต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นมโนนั้นจะผุดขึ้นมาอีกทำให้รู้สึกไม่ดีแบบนี้โยมจะจัดการได้อย่างไรเจ้าคะก็อย่าไปว่ามันไม่ใช่เรามันเราเราไปคิดเป็นจะให้รู้ว่ามันความคิดดีหรือไม่ดี เอาคิดไม่ดีก็หยุดมันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันเช่นจะไปฆ่าของนี่ก็เป็นความคิดไม่ดีหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดแต่ถ้าเป็นความคิดที่ดีก็ปล่อยมันคิดได้ยังใช้พุทโธใช้ปัญญาแยกแยะความคิดความคิดมีอยู่สามชนิดด้วยกันคิดดีเรียกกุศลคิดไม่ดีเรียกว่าอกุศลคิดเป็นกลางกลก็คือไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศล ดังถ้าเป็นความคิดที่เป็นอกุศล น, นี่เราต้องกําจัดมันอย่าปล่อยให้มันคิดกําจัดด้วยสติคือพุทโธไปก่อนแล้วก็กําจัดด้วยปัญญาสอนใจว่าคิดแบบนี้แล้วจะนําความหายนะนําความวุ่นวายนำความนาเรื่องราวต่างๆมาให้กับเราดังั้นอย่าไปคิดอย่าไปทําตามเลยทอไปมันก็ไม่กล้าคิดนี่หากท่องพุทโธแล้ว เอาจิตหรืออารมณ์หรือการหายใจเข้าออกวางไว้ที่ลิ้นปี่แบบนี้จะทําได้หรือไม่เจ้าคะไม่ต้องวางไว้ที่ลิ้นปี่ให้อยู่กับจิตจิตอยู่ให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธถ้าพุทโธนี่ต้องจิตกับพุทโธต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเหมือนสามีภรรยากันนะไปไหนไปด้วยกันไม่ใช่เป็นสามีภรรยากันเแล้ว่อยให้ภรรยาอยู่บ้านตัวเองเข้าไปอยู่ในบายนี่มันก็มันก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะ ถ้าอยากจะให้ใจสงบใจมี ม, มีมีสติก็ต้องใช้พุทธถ้าใช้พุทโธก็ใจก็ต้องอยู่กับพุทโธถ้าใช้ลมหายใจใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นคำถามจากทาง YouTube ดรวีเจ้าคะ่ะลูกไม่มีแฟนและใช้ชีวิตต่างแดนคนเดียวคนส่วนมากจะมองว่าลูกเหงามองว่าแปลก แต่ลูกคิดว่าเพราะลูกนำทำคําสอนของพระอาจารย์มาปฏิบตัติจึงเห็นสิ่งที่จะทําให้ใจทุกข์ได้เร็วและเฉยเฉยกับสภาวะที่เกิดขึ้นและเหตุนี้ลูกจึงเข้าใจจิตใจตัวเองแต่ลูกก็ไม่สามารถที่จะพูดให้คนที่คิดต่างเข้าใจแบบนี้ได้เจ้าคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากเพราะการปฏิบัติใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่เวเราเป็นซูเปอร์แมนเราจะไปว่าให้คนอื่นก็เข้าใจว่าเราเป็นซูเปอร์แมนได้ยังไง เราเหอหินเดินอากาศได้เขาเดินเหอหินเดินอากาศไม่ได้เขาก็งงไงเราเราทำไมทําได้เพราะเราปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติเราเลยไม่ทุกกับการอยู่คนเดียวก่อนที่ไม่ปฏิบัตินี้จะเหงาจะเศร้าเวลาต้องอยู่คนเดียวก็เลยแปลก็ต้องไปคิดว่าทุกคนจะเป็นเป็นเหมือนเขาที่ว่าเมื่อเขาเศร้าเขาเหงาเวลาเขาอยู่คนเดียวคนอื่นก็ต้องเศร้าต้องเหงาเหมือนกับเขาสิอันี่เป็นความคิดที่เขา ยังโง่อยู่พูดง่ายๆคือไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีความสามารถทางด้านจิตใจแตกต่างกันควสามารถที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ได้ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้ถ้าปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าความทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทําของเราเองจากความคิดของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความคิดที่ที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราความทุกข์มันก็จะหายไป เราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีอะไรการถวายบ้านพร้อมที่ดินที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งถวายขณะมีชีวิตอยู่และเขียนเป็นพินัยกรรมไว้เพื่อให้วัดใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมโดยไม่หวังผลประโยชน์รายได้การรับบริจาค มีบุญอนิสงส์ต่อตอนเองและ บ, บรรพบุรุษในชาตินี้และชาติหน้าอย่างไรบ้างเจ้าคะยังไม่ได้ให้เขียนเป็นพิธีกรรมก็แสดงว่ายังไม่ได้ให้ใครๆก็เขียนได้เเราก็เขียนได้แต่ยังไม่ให้ขอเก็บไว้ก่อนยังหวงอยู่ะะนั้นยังไม่ได้บุญเป็นเจตนาเฉยๆเองบุญจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเจตนาและมีการกระทาตามเจตนาจนสําเร็จะ แม้กระทั่งบริจา克ร่างกายก็แบบเดียวกันถ้าเป็นถ้ายังเขียนเป็นพี่นายกรรมอยู่ก็ยังไม่ได้บริจาคถ้าอยากจะบริจาค ก, ก็ต้องควักตาให้เขาไปเลยข้างหนึ่งควักไตไปเลยข้างหนึ่งบริจาคเลือดอย่างนี้ยอันนี้ถึงเรียกว่าให้ให้จริงๆไม่ได้ให้ด้วยด้วยความคิดเความคิดนี่มันหลอกเราได้หลอกว่าเราใจบุญใจกุศลให้หมดเลยยกให้หมดเลยแต่ขอให้ตายก่อน คารวะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะแล้วสามารถสอนธรรมะให้บุคคลทั่วไปได้ด้วยไหมเจ้าคะคือการบรรลุธรรมนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคารวะหรือเป็นพระมันอยู่ที่มีธรรมหรือไม่อยู่มีการปฏิบัติธรรมที่เป็นสุปฏิปโนมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมบรรลุธรรมได้แล้วเมื่อบรรลุธรรมได้ก็สอนได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แต่ว่าก็ต้องดูการละเทศะการสอนนี้ไม่ได้สอนด้วยความอยากถ้าอยากสอนนี่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุธรรมถ้ายังอยากเป็นครูอยากเป็นอาจารย์อยู่นี่แสดงว่าเป็นกิเลสยังอยากให้คนเขาเคารพนับถือเชื่อฟังเราอยู่อันนี้ไม่ใช่ธรรมนะคนที่มีธรรมเราจะไม่อยากสอนใครจะถูกไฟบังคับบังคับให้สอนซะมากกว่าแต่อยู่ที่ไหนก็มีคนมาขอถามขอคุยเรื่องธรรมะอย่างนี้ก็สอนแบบนั้นได้ แต่ไม่ได้ไปเดินไปติดไปลายไว้ว่าวันนี้ฉันจะมาแสดงทำที่ตรงนี้นะเวลานั้นเวลานี้อ่าอย่างนี้แหะมันเปนอยากสอนออยากอวดอยากบอกว่าฉันบนรรลุธรรมฉันรู้ธรรมคนที่บรรลุธรรมไม่มีความอยากสอนใครไม่มีความอยากอวดโอกะอะไรกับใครเพราะคนบนรรลุธรรมมันอิ่มอ่ะมันไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับอะไรถ้ายังมีความหิวยังมีความอยากอยากจะสอน อยู่ก็สนแสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่สุนักที่บ้านเป็นมเร็งผมได้ทำการการุญยาฆาตไปบางครั้งรู้สึกผิดบาปผมควรทำอย่างไรดีครับก็ตายไปก็ไปเป็นหมาเป็นยังไงทำบาปแล้วใช่ไเปลี่ยนได้ยังไง มีญาติสนิทต่างชาติที่ไม่เคยนั่งสมาธิหรือฟังธรรมเลยเขามีความทุกข์มาจากการที่แฟนบอกเลิกไปโดยไม่ให้เหตุผลโยมจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างเจ้าคะเขาข อ, อาความช่วยเหลือจอากเราหรือเปล่าอย่าไปเสือกพูดง่ายๆชอบไปยุ่งกับเขาเอยถ้าเขาอยากจะขอความช่วยเหลือถ้ารู้วิวธีช่วยเหลือเขาอย่างไรก็ช่วยไปถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไปก็จบ นี่มาถามคนอื่นนั่นเดี๋จะไปไปบอกเขาอีกทีหนึ่งบอกบางทีก็บอกแบบผิดๆถูกๆอีกแล้วเขาต้องการความช่ยวยเหลือหรือไม่ก็ไม่รู้อีกเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีกองั้นอยู่เฉยๆดีที่สุดการปฏิบัติสมาธิจนเข้าใจในเรื่องของกายในกายเวทนาในเวทนาจนถึงจิตในจิต แต่ในสติปัฏฐาน4พระพุทธองค์ให้เปลื้องจิตการเปลื้องจิตต้องทําการพิจารณาอย่างไรในขณะทำสมาธิครับออสมาธิไม่เปลื้องจิตสมาธิทําจิตให้สงบจะเปลื้องจิตก็คือให้จิตปล่อยวางทุกอย่างต้องทําในตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องสอนใจด้วยสอนจิตด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปยึดไปติดเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้ปล่อยวาง อย่าไปยึดไปอย่าไปติดอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราโอเคถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้นะเ อ, อเดี๋ยวเลิกปั๊บนี้จะมาขอถามขออภัยด้วยไม่ตอบเดี๋ยวจะหาว่าไม่เมตตานะเพราะว่ามันเวลาเลิกแล้วมันมีการเคลื่อนไหวมีการการะทำอะไรต่างๆมันไม่สะดวกมันไม่เหมาะกับต่อการสนทนาธรรมเวลาสนทนาธรรมนี้มันต้องอยู่ในขณะที่ทุกคนนิ่ง ตั้งใจฟังกันจะได้ประโยชน์ทั้งทั้งตัวเราเองและทั้งผู้อื่นเพราะปัญหาต่างๆที่เรามีกันนี่ก็คล้ายคลึงกันอย่างใดว่าวันนี้มันยังอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้แต่ถ้าเรารู้ปัญหาไว้ก่อนรู้วิธีแก้ไว้ก่อนพอเจอปัญหาในคราวหน้าในโอกาสหน้าเราก็จะสามารถที่จะแก้มันได้หรือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้อันนั้นไม่ต้องอายนะไม่ต้องอาย เป็นเหมือนคนไข้ไปหาหมอแล้วไปอายว่าหมออจะไปบอกคนนี้คนนี้ไม่ได้นะก็ mm hmm. ฉันเป็นโรคมะเร็งฉันเป็นนู่นเป็นนี่ไม่บอกก็ไม่ได้มันต้องรักษามันเป็นทีมต้องช่วยเหลือกัน mm hmm. หมอพยาบาลก็ต้องรู้ว่าคนไข้นี้เป็นโรคอะไร mm hmm. จะได้ช่วยกันดูแลรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องดังน mm ั hmm. ้นความทุกข์ใจของเรื่องรานี้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์หรอก แล้วความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดจากตัณหาความอยากเหมือนกันอยากได้นู่นอยากมีนี่พอไม่ได้ก็ทุกข์อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็ทุกข์มิจฉไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาอย่าไปอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ยังไม่มีคาถามก็มานะ